คืออย่างนี้สอนเด็กเริ่มเริ่มแย่งน ะ, ะจะเนตโฉดมนไหวพระไปลา ม, มาไหว้ก่อนได้ประการหนึ่งเนี่ยแล้จะไปให้ธรรมะเลยก็ไม่ได้เช่นยกตัวอย่างชมรมพุทธศาสตร์มาตามมหาวิไลอัตมาลองจี้ดูขนาดปริญาโทท่านบอกนี่ท่านทั้งหลายอัตมาจะสอนวิปัสสนาให้ในเมื่อนางวิปัสสนาแล้วจะได้ไปสอนนิพพานเขายกมือเลยไม่เอาอไม่เอาทําไงจะเปลี่ยน คุณยอมจะว่าอย่างไรบางทีบางวัดบอกนั่งจะิล่นวิปัสนาไปชนิพ้ผานคนทุกไปนี้ผ่านเขาไม่เอาค่ะต้องเปลี่ยนคําพูดเป็นวิปัสนาปริทัศอวิปัสนาประยุกต์ค่ะสอนให้สนุกค่ะให้เด็กเข้าใจคแล้วเด็กเนี่ยปริญาโทรทันทันบอกไม่เอาครับหลวงพ่อผมต้องกานไม่ไปนี้ผ่านแล้วมาต้องการไปฉวรรค์ค่ะนะต้องการอะไรหนูๆถามที่เขาต้องการถ้าหากว่าเอาที่เขาสชนี่เขา ไม่ช่างเอาที่เราไปสอนนีที่เขาไม่ได้ที่เจ้าสอนกลวิธีการสอนคต้องเอาที่เขาให้สิเขาจะเอาที่เราไปให้เขาเขาไม่ชอบเขาบอกเขาไม่เอาเลยที่ภาชนาไม่เอานี่ชมรมพุทธศาสน์มาหลายแห่งอแตมาลงจี้อยู่แล้วเลยก็บอกพูดใหม่เปลี่ยนครับพูดทันทีค่ะมันสองพันกว่าปีจะไปพูดเรื่องอย่างนี้ได้เหรอนะไปสวรรค์ไหมไปนิพพานไหมโอสวรรค์ท่านโนเนี่ยสนุกสนานเด็กเชื่อไหมเด็กไม่เชื่อต้องเอาให้เห็นบอกหนู บริหารกายให้เข้มแข็งตีกอล์ฟเล่นฟุตบลอลออเอาไหมย่ากาลังกายขึ้นมาโอเคบริหารจิตให้อดทนเข้มแข็งอดทนต่อสู้ค่ะโหดก้านอดออมประเดีประนอมยอมความเอาไหมอดทนต่อความยากอดทนต่อความลำบากแล้วอดทนต่อความเจ็บใจในสชกโคมะโอเคเอาบริหารเวลาเอาไหมถ้าหนูมาบริหารกายบริหารจิตเข้มแข็งแล้วหนูจะรู้ว่าหนูเนี่ย มีคุณค่าชุวยจริงหลยแล้วบริหารเวลาต่อไปได้เวลาจะเป็นประโยชน์ต่อหนูทักหนึ่งนาที4ี่ตำนึงทอโอเคสอนเลยนี่ยังเด็กเข้าใจกำลังบอกวิวิวิวิวินิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวมวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิวิเจ้าวิวิวอวิวิวิวิวิวิวิขาวขาชอบอะไรชอบบริารกาวิวินฟุตบอล นะแล้วก็ตีกรอบมีกําลังกลับขึ้นมาบริหารกีงใช้อดทนเข้มแข็งเอาไหมหนูโอเคสอเหลือนเดินจงกรมเชเดินจงกรมให้มีสติในการเดินะจะอดทนต่อการเดินทางไกลน ะ, ะแล้วจะอดทนต่อการความเพียรแล้วก็มีอาภาษน้อยหนูเจ็บป่วยขึ้นมาก็จะหายไวเข้มแข็งและการที่ใช้อัชีอาหารไม่เป็นพิษต่ตอร่างกาย ย่อยง่ายเดินจงกรมออกกําลังกายเอาคืนมาได้เลยแล้วฮะสมาธิในการได้จากการเดินเนี่ยตั้งอยู่ได้นานกว่านะบอกหนู้างหายใจเข้าออกนับได้ร้อยครั้งหลวงพ่อจะให้เธอร้อยบาทอยากได้กันนี่เด็กนี่มันเด็กอนุบาลมาเป็นเป็นปลาต้องเอาเยื่อล่อนะนี่ต้องมีโยบะนักโยบายคอนโซโลบายการสอนถ้าบอกเด็กๆมานั่งเฉยๆมันจะเอาไหมไม่เอา หนูจะให้เธอร้อยบาทนับลมหายใจตั้งจมูกถึงสะดือเงินหนึ่งสองสองช้าๆสองไอ้ชาเปลี่ยนนิสัยเด็กได้เด็กมันชอบหายใจชันๆแล้วชอบสอนพอนั่งกําหนดลมหายใจยาวก็ตั้บแล้วลองพิชูดนี่หลายระดับไม่เชยสอนวิปัฒนาไปอย่างนั้นค่ะเขียนหนังสือขึ้นบนกระดานดำห้าประทัดอ่านดังๆห้าครั้งอ่านในใจห้าครั้งแล้วลบ อ่าได้หมดเอาไปร้อยนี่พิสูค่ะนี่พิสูจน์นี่จงฉลองและดับตายถึงพ้องน้อยยุบน้อยสวรรค์นิพานเด็กมันจะไปรู้เรื่องออนไลน์ขอเจริญพรอย่างนี้ค่ะนี่เราไม่จไปจวงสื่อได้จับได้แล้วแล้วยังมีพิสูจนได้เยอะแยะคพิสูจน์เนี่ยอ่านซื้อจําได้แม่นเอาไปร้อยบาทเพราะเด็กเล็กๆหนึ่งมันชอบตะตังค่ะคุณยอมลองไปเรียกเด็กมาทีโนชอบตะตังไหม ต้องชอบอยากมีรถทีมั้มอยากมีบ้านสวยๆมันเด็กมันอย่างนี้มันไม่อยากไปสวนนี่ผ่านต้องเอาตรงนี้ก่อนที่สอนต้องการตรงไหนเอาตรงนั้นสอนเขาใจถรงพรอย่างนั้น